สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรามาถึงชีวิตพระเยซูตอนที่ยี่สิบสามนะครับภายใต้หัวข้อย่อยว่าพระเยซูรับบัพติศมาเป็นครั้งที่สามนะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้นั้นเราพูดถึงเรื่องของเพิ่มพี่ยอนนะครับพระกิติคุณยอนบทที่หนึ่งข้อยีบเกถึงข้อที่สาสิบสี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพยานของยอนเกิแบัติสถึงการรับบัพติศมาของพระเยซู พี่น้องคับจากเรื่องราวในพระเจ้าพระเจ้าในพระกิติคุณยอนนั้นได้บันทึกในสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่ายอนไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนพระเยซูรับบัพติศมาแต่เล่าถึงคําพูดของยอนผู้ให้บัพติศมาครับแต่ได้เขียนถึงอีกมุมมองหนึ่งของผู้ให้บัพติศมานะครับเป็นคําพยานที่เกี่ยวกับการรับบัพติศมาของพระเยซูในข้อ29นั้นครับกล่าวว่า เมื่อยอนเห็นพระเยซูมาวันรุ่งขึ้นจากที่ฟาริสีมาไต่สวนยอนยอนกล่าวว่าจงดูพระเมสสปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียเพราะนั่นแหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้าพี่นะครับนี่คือสิ่งที่ยอนนั้นได้พูดพูดถึงพระเยซูว่าเป็นพระเมสสปดกของพระเจ้า ผู้สงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพี่น้องครับนี่เป็นคําพยากรณ์ครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูผู้ที่ขึ้นมาจากน้ํานะครับพี่น้องลองจินตนาการครับว่ายอนนั้นยอนเดบับตินั้นอื่นเต้นขนาดไหนยอนในเทศนาเลยบอกประชาชนนะว่าจะมีอีกผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนนั้นมาแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะครับยอน คงจะมีความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นอย่างมากมายทีเดียวครับย้อนอธิบายว่าในที่สุดพระองค์ผู้นี้แหละนะครับซึ่งย้อนได้กล่าวนั้นมาถึงแล้วแต่ย้อนผู้บันทึกพระกิติคุณกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเมสสปโยกนั้นแปลว่าลูกแกะของพระเจ้าทําให้ได้มีโอกาสนึกย้อนกลับไปนะครับ ว่าในพิธีปัสกาครั้งแรกขณะที่โมเสสนั้นกําลังจะอพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นั่นคือพิธีปัสกาครั้งแรกเขามีการฆ่าลูกแกะนะครับและเอาเลือดไปทาไว้ที่วงกบ ป, ประตูแต่เมื่อทูตมรณะได้ผ่านเข้ามานะครับจะผ่านเว้นจะข้ามบ้านที่มีวงกบที่ทาด้วยเลือดของลูกแกะนั้นอันนั้นก็จะเป็นอ การตีความหมายถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูในอนาคตอีกประมาณพันห้าร้อยปีต่อมาพี่น้องครับทําให้เรานึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นปัสกาครั้งสุดท้ายของพระเยซูนครับนั่นก็คือในห้องชั้นบนที่พระเยซูตั้งพิธีมหาชนิดศักดิก์สิทธิ์ครับนั่นเป็นวันปัสคานะครับและพระเยซูก็ยิบขนมปังและน้ําองุ่น แล้วก็ได้หักขนมปังและได้แบ่งให้กับสาวกไม่ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์ก็ได้หยิบเอาถ้วยเหล้าองุ่นหรือไวน์นะครับออกมาแล้วก็พระองค์ตรัสว่านี่คือโลหิตของเราเป็นพันธสัญญาใหม่ครับพี่น้องครับจากตรงนี้เองเราเห็นนะครับว่าเป็นการเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ส่งเป็นพระเมสสโภดของพระเจ้านะครับ หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นบนแมงเเขนแล้วม่านที่พระวิหารในอภิสุธทธิสถานนั้นก็ขาดออกต่อไปนี้ครับชาวยิวไม่ต้องฆ่าและถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาอีกแล้วพูดง่ายก็คือว่าคริสเตียนเรานะครับที่เชื่อในองค์พระวิญญเจ้าเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ไม่ต้องฆ่าและถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชายอยีกดองครับนี่เป็นสิ่งที่ยอนนั้นเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเมสสุรุกของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับว่ายอนนั้นยอห์นเดแปติสนั้นเป็นพยานต่อไปว่ายังไงครับท่านกล่าวในข้อสามสิบเอ็ดนะครับว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลเข้าพเจ้าจึงได้มาให้บแบบมาด้วยน้ําแล้วยอนจึงกล่าวว่าเหตุการณ์ ตอนที่พระเยซูรับแบบมาว่าข้าพาเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาจากสวรรค์และสถิตบนพระองค์พี่น้องครับนนี่คือสิ่งที่ยอห์นเดอะแบปติได้กล่าวนะครับและท่านยังกล่าวต่อไปนะครับในข้อ3 3 3 4บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสบอกนะครับท่านว่าพระเยซูเป็นใครท่านตอบอย่างนี้ครับท่านพูดต่อว่าข้าพาเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บับกิสมาด้วยน้ำได้จัดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้บับติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์ผู้นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับการบับติศมาด้วยน้ำไม่ได้ทําให้คนรอดนะครับแต่การบับติสมาด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ ตัาหากครับที่ทําให้คนรอดนะครับการปรับติดมาด้วยพระเยซูเบริสุดนั้นเป็นเป็นเกิดจากพระเยซูคริสต์เกิดจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ครับเกิดจากสิ่งที่พระเยซูได้กระทํำบนไมเงเคียนเกิดจากการที่ผู้เชื่อได้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี้เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นที่จําเป็นมาเพราะฉะนั้นการปรับติดมาด้วยพระเยซูบริสุดนั้น แหลายๆคนอาจจะเข้าใจต่างกันนะครับแต่ในบริบทตอนนี้ได้พูดถึงการบับสมาธิพระวิญญามิฉุกก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับคนคนนั้นได้ยอมรับเอาบทบาทของพระเมสสโตรดกหรือลูกแกะของพระเจ้าที่จะต้องสิ้นพระชนบนไม้หเข็นนั่นหมายถึงการกลับใจใหม่นั่นหมายถึงขณะที่ผู้ที่เชื่อนั้นบังเกิดใหม่ครับพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือว่า ยอนเองนั้นเป็นผู้ที่พูดบอกว่าพระเจ้าหรือพระเยซูนั้นต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ตัวยอนเองนั้นต้องต่ำลงนะครับภาษาอังกฤษคำว่ายิ่งใหญ่ขึ้นแปลง่ายๆก็ว่า increase ต้อยต่ำลงหรือต่ำลงแปลว่า decrease จำง่ายๆนะครับ increase พระเจ้าต้อง increase มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในชีวิตและในขณะเดียวกันยอนกาลังบอกว่าตัวเองนั้นก็ต้อง decrease นันหมายความว่าไงครับหมายความว่าในชีวิตในการดำเนินกับพระเจ้าในแต่ละวันของพวกเรานะครับเราก็ประยุกต์ใช้หลักการถ้อยคำของยอนเดอะแบปทิสชัดเจนได้ในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าจะต้องสูงขึ้นถูกยกย่องเราเองนั้นจะต้องต่ำลงครับเราจะต้องโลวโปรไฟล์และในที่สุดนั้นโน p r โปรไฟล์ no profile, แต่ ชีวิตของเราจะมีโปรไฟล์ของพระเจ้าแทนจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆแทนมีชีวิตที่เมื่อคนอื่นมองแล้วเราเหมือนพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าแทน่ยคกับนี่คือสิ่งที่สาคัญมากในเช้าวันนี้ผมอยากจะทบทวนนะครับการบัพติศมาของพระเยซูนั้นมีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเรานะครับก็คือเราจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ให้ควรว่าเรามีความสัมพันธ์ กับพระเยซูมากขนาดไหนนะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนตอนนั้นเริ่มเป็นคริสเตียนตอนนั้นขณะที่เราบังเกิดใหม่นั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดไหนและเวลานี้เป็นไงบ้างครับสําหรับผู้ผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปถึงความรู้สึกหลายหลาคนรับบาสมานะครับด้วยน้ํานะครับบาสมาตรงนั้นเป็นการประกาศตัวครับ และทุกคนบอกว่าต้องจุ่มทั้งตัวนะครับก็มีแพสไฟทิเรียนและอีกหลายๆริกายครับที่กล่าวว่าไม่ต้องจุ่มทั้งตัวก็ได้อาจจะเป็นการพรมด้วยน้ำแต่ต้องใช้น้ำพิธีแบบสมานั้นก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำแน่นอนครับแต่จะใช้น้ำมากหรือน้ำน้อยนะครับไม่มีในยะสำคัญแตกต่างกันเพราะเนื่องจากว่าความหมายของพิธีแบบสมานั้นมีความหมายจริงๆง ก็คือการประกาศตัวครับประกาศตัวต่อหน้าสาธารณชนกล่าวคำปฏิญาณกล่าวคำสัญญาว่าเขานั้นจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตครับเขานั้นได้ประกาศถึงการตายการฝังและการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการเป็นขึ้นจากความตายครั้งหนึ่งร่วมกันกับพระเยซูแต่ด้วยเหตุนี้เองบัพติศมาในน้ํานะครับด้วยน้ําเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในการประกาศตัวครับ อันนี่คือเป็นความหมายของบับสมาที่แท้จริงเพียงครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการที่จะได้รับและได้มีประสบการณ์ถึงการบับสมาอย่างแท้จริงอาเมน